มันก็เลยเกิดความคิดเออใช่กุศลก็ไม่เที่ยงกุศลในอดีตมันก็ผ่านไปหมดแล้วมันก็หมดไปหมดแล้วกุศลนั้นถ้าได้ปัจจัยพร้อมมันก็ให้ผลเป็นนานาคคาิกรร ม, มะปัจจัยแต่สภาพจิตของเราขณะนี้แหละทํายังไงงนั้นชีวิตของเราที่จริงๆอะ่ะคือขณะนี้นะใช่ไหมเป็นชีวิตที่จะดีหรือจะตกยากจะชั่วจะตกนรกจะขึ้นสวรรค์ก็ขณะนี้นะเพราะจุติจิตมันจะเกิดเกิขดขณะนี้มันไม่ได้เกิดเมื่อสมยัยเมื่อสามสี่วันที่แล้ว ถ้ามันจะเกิดมันก็เกิดใกล้ๆนี่แหละทำยังไงใจเราจะผ่องใสในขณะนี้ได้หาวิธีการยังไงที่จะกุศ ล, ศลจิตจะเกิดได้ตรงนี้คือเป็นปัญหาเฉพาะหน้าฉนั้นกุศลที่ที่เราเจริญไปแล้วนะถึงดีก็จริงแต่กุศลเหล่านั้นจริงๆแล้วนะเป็นสัจจะข้อไหนกุศลนเนี่ยเป็นสัจจะข้อไหนกุศลบางอย่างเป็นทุกขสัจกุศลบางอย่างเป็นเป็นมรรคสัจอันนะโลกิยากุศลทุกชนิดเป็น ทุกขสัตย์แต่พระพุทธเจ้าทรงสนับสนุนให้เจริญนะคือเมื่อเจริญกุศ ล, ลจิตเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็เรียนรู้กุศลเหล่านี้ด้วยว่ากุศลเหล่านี้ก็เกิดด้วยปัจจัยนั่นะแหละพระองค์ก็จึงแสดงในลักษณะของโพชงบัพพะว่าเมื่อสติสัมโพชงนะสติคือกุศลเนี่ยนะสติหรือธรรมวิจยะสามโพชงคือปัญญาเนี่ย มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ว่าสติสัมปชัญญะเหล่านี้มีอยู่ณภายในจิตถ้าไม่มีณภายในจิตก็รู้ว่าไม่มีณภายในจิตนนะสติสามโพธิชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยรู้ทั้งปัจจัยนะถ้าหากว่าเกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์โดยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยแล้วก็พิจารณาเป็นภายในภายนอก ทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งความเกิดของความเสื่อมของสติอันพระ อ, องค์นี่ให้รู้ทั้งหมดเลยนะไม่ได้ให้แม้แต่สติพระ อ, องค์ก็ไม่ได้ให้ยึดอะ่ะอันพระ อ, องค์จึงสอนบอกว่าธรรมะของพระ อ, องค์เนี่ยเหมือนเหมือนแพเหมือนเรือเหมือนแพถ้าหากว่าคนข้ามถึงฝั่งแล้วแบกแพไปด้วยไหมไม่มีใครแบกแพไปด้วยหรอกกุศ ล, ลจิตแม้แต่กุศลเหล่านี้ก็เพื่อที่จะย่างลงสู่ อมะตะเท่านั้นเองังั้นการเจริญกุศลเราต้องรู้ว่าค่าที่เป็นจริงของกุศลนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ไม่ละห้อยหาถึงกุศลที่มันเคยผ่านมาแล้วเมื่อสองวันก่อนโอ้โหนึกถึงได้ไอเดียเข้าใจธรรมะใหม่นั่นมันเมื่อวานถ้าวันนี้เราไม่เข้าใจเพิ่มแสดงว่าไม่ฉลาดเท่าเมื่อวานเลยเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องเข้าใจธรรมะขึ้นสักหมวดหนึ่งท่านขอาม า, อาศัยคิดนะไ ม, ไม่ได้ไม่ได้ยกตัวเองนะเพียงแต่เล่าให้ฟังในลักษณะว่าจะต้อง คิดธรรมให้มันได้สักข้อหนึ่งให้ประทับใจธรรมะสักหมวดหนึ่งในวันนี้ให้ได้ะจะโดยวิธีใดก็ได้เดินให้มันคิดธรรมะซึ้งสักคำก็อย่างดีหรืออ่านพระไตรปิฎกให้มันมีความสงบใจสักสักสูตรหนึ่งก็อย่างดีเพื่อให้กุศ ล, ลจิตมันได้เกิดขึ้นกุศลนี่ไม่เหมือนอย่างอื่นนะถ้ามันไม่เกิดแสดงว่าหมดแล้วที่เหลื อ, อกุศ ล, ลเกิดทั้งนั้นแหละกุศ ล, ลไม่เหมือนอย่างอื่นนะไม่เหมือนวัตถุใช่ไหม ถ้าเราไปซื้อนาฬิกามาสักอันหนึ่งนะเราลืมไว้อีกสักอาทิตย์ไปดูเออยังอยู่แต่กุศลไม่เหมือนอย่างอื่นนะถ้าหาได้เสร็จลืมไปคิดเรื่องอื่นนะหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นั่นแหละไปเผลอไปคิดเรื่องอื่นพักเดียวอา้ากุศลหมดไปแล้วนั่นแหละไม่เหมือนอย่างอื่นนะนั้นจะต้องระวังที่สุดพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ระวังในการเจริญกุศลเหล่านี้เนี่ยรักษากุศลเหล่านี้ด้วยความไม่ประมาท ดังนั้นความไม่ประมาทนี่จึงเป็นธรรมะที่ใหญ่ที่สุดในศาสนานี้นั่นแหละังั้นอย่าประมาทในสภาพจิตนั่นแหละถ้าหากว่าจิตเหล่านี้เกิดมากๆขึ้นถ้าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเจริญมากขึ้นต้องมีสัมมาทิฏฐิมากขึ้นนั่นแหละถ้าเราศึกษาคำสอนแล้วชัดเจนในคำสอนหนึ่งกรรมสกตาต้องดีขึ้นกว่าเก่าเยอะจะต้องมองเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมชัดเจนขึ้น มองเห็นค่าที่เป็นจริงของสัตว์จะมากขึ้นนั่นแหละว่าอันนี้เป็นแค่ทุกขสัตว์นี้เป็นสมุทัยสัตว์นี้เป็นนิโรธสัตว์นี้เป็นมรรคสัต์มันจะต้องมองสูงขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละท่านอย่าสันโดษในกุศลพุทธเจ้าบอกว่ามีธรรมะอยู่สองอย่างเท่านั้นเองที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าหนึ่งไม่ทิ้งความเพียร น, นั่นแหละเรียกว่าปาราความเพียรอย่างแรงกล้า ที่จะละบาปละอกุศลและเจริญกุศลสองไม่สันโดษในกุศลธรรมนะธรรมะสองอย่างนั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าเลยของเรานี้ถ้าเราเจริญตามไม่แน่นะจะเป็นอนุพุทธเจ้าอนุพุทธะแปลว่าก็คือภาษาวกทั้งหลายแล่นั่นแหละนั้นภาษาวกของพระผู้มีพระภาคทั้งหมดเลยเรียกว่าอนุพุทธะนั้นพุทธะมีสามอย่างหนึ่ง สัมมาสัมพุทธะสองปเจกพุทธะสามสาวกพุทธะสาวกพุทธะก็คืออนุพุทธะนั่นเองผู้ตรัสรู้ตามพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานี้ยังไม่พุทธะสักอย่างเลยก็มีศรัทธาในแนวทางแห่งพระพุทธะทั้งหลายนะเพียงของพวกเราก็คือเป็นผู้นับถือแนวทางแห่งพระผู้เป็นพุทธะแสดงนะศรัทธาในองค์แห่งพุทธะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศรัทธาในแนวทางคือคําสอนที่พระ อ, องค์เนี่ยกล่าวเอาไว้และศรัทธาในหมู่ชนที่ปฏิบัติตามนั้นนั่นแหละคนเหล่านี้เรียกว่าผู้ถึงไตรสารณคม น, นะลองแสดงวิธีอื่นดูมั้งเออผมสนใจสมมุติว่าถ้าเราเรียนหลักสูตรนี้เอาเรียกว่าหลักสูตรให้โก้หน่อยนะถ้าเราเรียนหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนจิตขณะที่เป็นอกุศล เป็นกุศลได้เนี่ยผมว่าโอ้โหนี่เป็นประโยชน์มหาศาลทีเดียวนะถ้าปกติเราเนี่ยนะจิตเราเนี่ยจะตกไปในอ ก, กุศลเนี่ยนะแล้วก็อ ก, กุศลเนี่ยก็จะทําร้ายเราอะนะจะรังควานเราทําให้เราเนี่ยไม่มีความสุขแล้วเราก็มีอุบายที่จะเปลี่ยนจิตให้เป็นกุศลเนี่ยถามว่าเปลี่ยนได้ไหมครับในคัมภีร์ท่านก็แสดงนะว่ากุศ ล, ลจิตจะเกิดขึ้นได้ในที่หนึ่งก็คืออีกในหนึ่งก็คือการกําหนดด้วยการ เปลี่ยนเปลี่ยนจากอากุศลให้เป็นกุศลถ้าหากว่าผู้นั้นมีอุปนิสัยที่ดีนะเรียกว่ามีโยนิโสมนัสิการหรือมีอัตตาซัมมาปณิธิจะเปลี่ยนเป็นกุศลได้ไม่ยากนักเลยทั้งทั้งที่อารมณ์เดียวกันนั้นใช่ไหมครับ อ, อารมณ์นั้นเดิมทําให้เกิดอกุศลเจริพรเช่นแล้วก็ถ้าเรามีความสามารถถ้ามีความสามารถเช่นนะอนาคตที่สามารถตั้งให้เป็นกุศลได้คือเมื่อก่อนไม่มีศีลครับ เป็นคนที่ว่ายุงเนี่ยบินผ่านเนี่ยตบเลยอยั้นยังไม่ต้องกลัดหรอกแข็งแกงปั๊บทันทีเลยแต่ถ้าสมาทานปั๊บเนี่ยนะยุงก็บินเหมือนเก่านั่นแหละ <c oughs> ไม่เอาไม่ค่าคิดถึงศีลที่สมาทานเอาไว้ดังนั้นการตั้งใจเป็นต้นเนี่ยก็สา ม, มารถที่จะช่วยได้ันถ้าหากว่าเราสมาทานกุศลจิตบ่อยๆสมาทานกุศลธรรมบ่อยๆดงั้นกุศลนเนี่ยสา ม, มารถเปลี่ยนทันทีเลยเช่นพระบางองค์เนี่ย ท่านหลงลืมสติมากเข้ากุฏิไม่ปัจเจกเลยท่านว่าเงินทีนี้ท่านพอจะเข้ากุฏิพับหยุดยืนก่อนแล้วท่านก็ปฏิสังขารโยแบบภาษาไทยภาษาบาลีเนี่ยสูตรครบแล้วค่อยเข้ากุฏิอะไรพอฝึกอย่างนี้นานๆเข้านะเวลาจะเข้าปุ๊บเนี่ยต้องเจริญข้อ น, นี้ก่อนแล้วค่อยเข้ากุฏิหรือบางบางองค์เนี่ยพอจะจับยาปุ๊บเนี่ยปัจเจกทันทีเลยมันเป็นอัตโนมัติซึ่งสามารถที่จะคิดได้บ่อย อาหารตักมาปั๊บเนี่ยมันจะเวกปะจะเวกทันทีเลยถ้าถ้าเราถ้าตั้งใจฝึกเนีมันสามารถที่จะคิดในเรื่องราวเหล่านี้ได้บ่อยมากจากับภาพปั๊บเนี่ยปฏิสังขายโยทันทีเนี่ยคือปฏิสังขายโยแบบภาษาไทยนะพิจารณาทันทีว่าประโยชน์ของการใช้ภาพเป็นยังไงสมมุติว่าขึ้นนั่งบนที่นอนปั๊บเนี่ยนั่งพิจารณาถึงกิจที่ทําในเรื่องตรงนี้ทันทีเลยว่าเข้ามาทําอะไรใช่ไหม คือถ้าไม่ปัจเจกหรือถ้าไม่พิจารณาก็หมายความว่าโลภะไปกินเรียบก็ปล่อยจิตเรียกว่าปล่อยจิตคิดไปในเรื่องครับตอนนี้ที่<พ>ไม่ควรคิดครับตอนนี้ในฐานะที่เป็นนักบวชก็มีกฎเกณฑ์ให้ให้ให้พิจารณาเป็นข้อเป็นเป็นวินัยอย่างนี้นี่นะครับตอนนี้ในฐานะที่ผมเป็นคาวาสอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันไม่สบายเวลามันโกรธมันก็ไม่สบายแล้วนะ เวลาแต่เวลาโลภ้ามันก็สบายนะแต่ว่าเอาเอ า, เอาตอนที่เห็นยังไงตัวมนุษยโกรธเนี่ยมันก็ฟุ้งซ่านแล้วมันอุทธจากเกิดมันก็ไม่สบายสมมติว่าเราได้รับอารมณ์ทางตาก็ดีหูก็ดีนี่นะครับแล้วเราจะเปลี่ยนจากอกุศลนี่นะอย่างน้อยถ้ามันเบาบางหรือหรือมันหมดไปชัว่วเท็จแวบหนึ่งก็ยังดีนะครับหมายความว่า เราก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเราก็ต้องมีทุนลอนมีอะไรที่ไปจัดการกับมันถูกไหมครับถิงจะเปลี่ยนมันได้ไม่งั้นมันยิ่งใหญ่นะมันเปลี่ยนมันไม่ได้จะไม่เจริญพนไม่ได้แล้วเพราะนั้นในส่วนที่สําคัญที่สุดเบื้องต้นเลยก็คือความเข้าใจในพระธรรมก่อนถ้าไม่มีความเข้าใจในพระธรรมเนะี่ยไม่รู้จะไปทํำยังไงเพราะว่าในพุทธศาสนาเป็นเรื่องของความรู้อะ่ะสมมุติถ้าพูดธรรมดานะก็เหมือนกับบวกลบคูณหารอะ่ะ ของมาตั้งโหถ้าหากว่าใช้นิ้วตั้งสิบนิ้วแล้วยังนับไม่ถูกอะไจะทำยังไงอ่ะนอกจากเรียนวิชานี้ให้มันมั่นคงขึ้นเท่านั้นเองเห็นอะไรก็สามารถบวกลบคูณหารถูกความรู้ในธรรมะก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราต้องสามารถศึกษาเรียนรู้จนมองเห็นอะไรเป็นคำสอนอยู่ตรงนั้นได้ถ้าหากว่ามองอะไรเป็นคำสอนอย่างนี้ได้เราจรึงจะถึงสรณะแบบเป็นอันเทวาสิกเป็นลูกศิษย์ของท่านเป็นลูกศิษย์ของสรณคม แต่ถ้ามองอะไรยังไม่เห็นเป็นธรรมะเลยก็แสดงว่าสิทธ์ห่างๆเั้นสิทธิท์บางครั้งกล่าวไง่ายๆว่าถ้าท่านโยนิโสมนสิการเป็นหรือว่าโยนิโสมนสิการได้ก็หมายความว่าท่านทําสําเร็จเจริญพรท่านตรงนี้นะทำให้เห็นในชั้นต้นเลยนะพระธรรมกล่าวไว้อย่างไงเช่นเรื่องโทสะอายกโทสะโทสานั้นมีคําพูดที่ใช้แทนอีกคำหนึ่งก็คือพยาบาท พยาบาทปั๊บเนี่ยพยาบาทต้องแสดงในละถ้าแสดงในลักษณะนิวรและแสดงในยะแห่งสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนากล่าวว่าเมื่อพยาบาทมีอยู่ณภายในจิตก็รู้ว่าพยาบาทมีอยู่ณภายในจิตเมื่อพยาบาทไม่มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ว่าพยาบาทไม่มีอยู่ณภายในจิตพยาบาทที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วย พยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วจะละด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยพยาบาทที่ละแล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกโดยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยในชั้นต้นเนี่ยห้าคำนี้ต้องจําแม่นก่อนเอาใหม่นะหนึ่งเมื่อพยาบาทหรือโทสะมีอยู่ในจิตก็ต้องรู้ว่านี้โทสะมีอยู่ในจิตโทสะมีกี่ดวงคะสองดวงเป็นอสังขาริกกับสังขาริก ถ้าไอโทสะที่มันเกิดเนี่ยนะเพราะอาคาตวัตถุใช่ไหมว่าคนนี้เคยทํานะอาคาตวตถุก้าหรือความโกรธสิบอย่างเหตุให้เกิดความโกรธสิบอย่างอันตัวจิตจะเป็นเพราะอาศัยอย่างใดอย่างหนึ่งก็โทสะเกิดเมื่อจิตชนิดนี้เป็นโทสะต้องรู้ชัดทันที น, นะเป็นสภาพจิตที่ดุร้ายเป็นสภาพจิตที่หยาบหรืออีกในหนึ่งนะโทสะมันไม่มีปีติ วิธีวิธีพิจารณาเรื่องว่าจิตเป็นโทสะไหมถามหาถ้าโทสะจะไม่มีปีติมันจะแห้งฝืนยิ้มอย่างยิ้มไม่ออกเลยยิ้มหน่อยหนะ้ายิ้มแแก็แย อ, อ, อยู่อย่างนั้นแหละยิ้มไม่ออกเลยนั่นแหละเพราะนโทสะเนี่ยมันไม่มีปีติมันเป็นจิตที่แห้งแล้งที่สุดเลยถ้าเป็นนี่มันหน้าฝนนะดินมันชุ่มชื้นแต่ถ้าเป็นหน้าแรงนะโอ้โหมันเหือดแห้งไปหมดเลย มันไม่กระชุ่มกระชวยไม่ชุ่มชื้นไม่อะไรทั้งนั้นเนี่ยโลกนี้รู้สึกแหมความร้อนมันอยู่ที่นี่ที่สุดเลยรวมความร้อนเอาไว้ที่นี่หมดเลยอนนั้นโทสะนี้ก็คือจิตที่ลักษณะแบบนี้หนึ่งมีอยู่ณนะภายในจิตและวสองถ้าโทสะไม่มีณนะภายในจิตก็ต้องรู้ว่าโทสะนั้นอนะ่ะไม่มีภายในจิตจิตชนิดไหนที่ไม่มีโทสะโลภามีโทสะไหมไม่มีโมหะก็ไม่มีโทสะ ในโลภะมูลจิตก็ไม่มีโทสะในโมหะมูลจิตก็ไม่มีโทสะทางตามีโทสะไหมจากูวิญญาณไม่มีโสตะก็ไม่มีขานวิญญาณก็ไม่มีชิวหากายะวิญญาณสัมปติชนะก็ไม่มีโทสะสันติรณนะโวทพนะัพณะไม่มีโทสะชาวนะมีกี่ชนิดโลภาก็เป็นชาวนะโมหะก็เป็นชาวนะมหากุศลก็เป็นชาวันะนั้นชาวนะ บางอย่างไม่เป็นไม่เป็นโทสะชาวนบางอย่างเป็นโทสะเนี่เมื่อชาวนะอื่นๆที่ไม่ใช่โทสะทเรียกว่าไม่ใช่โทสะจิตชนิดนี้ไม่ใช่โทสะเันพระองค์จึงกล่าวว่าเมื่อพยาบาทหรือโทสะไม่มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดว่าโทสะหรือพยาบาทไม่มีอยู่ณภายในจิต โทสะหรือพยาบาทจะเกิดขึ้นด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยตรงนี้น่าสนใจมากจะเกิดได้ยังไงปฏิฆานิมิตนีอยู่อโยนิสโสมนัสิการในปฏิฆะนิมิตนั้นๆ น, น, นี่เป็นอาหารที่ทําให้โทสะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นนะโทสะนี่มันก็เหมือนกับเผาไหมใช่ไหมหนึ่งนะที่ที่มันจะไหม้ได้เพราะมีเชือ้อมีเชื้อเพลิงมา แล้วก็มีกรมีประกายไฟปับ๊บมีเชื้อเข้ามาด้วยลุกพึบทันทีเลย อ, อโยนิโสในปฏิฆานิมิตอันไอจิตของเราเนี่ยเหมือนกับประกายไฟไอปฏิฆานิมิตเหมือนกับเชื้อเพลิงฟังกันอ่ะปฏิฆานิมิตก็คือนิมิตมีกี่อย่าง3อย่างนะเคยได้ยินนะหนสุภานิมิตสองปฏิฆาณิมิต3อุเบขานิมิตปฏิสุภานิมิตอู้งามจัง ลักษณะเนี่ยอะไรก็ได้ที่ดูดีๆสมมุติว่าเอาดอกไม้มาดูสักดอกหนึ่งเนี่ยโอ<ฮ>ส่วนอื่นนี่งามหมดและมีทิฏฐิเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามองในส่วนงามเป็นสุภาณิมิตสุภาณิมิตตัวดอกไม้นะแม้มีรอยตําหนิได้ไอรอยตําหนิอันนี้เป็นปฏิฆานิมิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นอาศัยนิมิตก่อนนิมิตที่ไม่ดีอย่างหนึ่งสองอะโยนิโส ไม่ตั้งจิตเอาไว้โดยชอบไม่ตั้งจิตไว้เลยในการใส่ใจในอารมณ์นี้โทสะเกิดทันทีเลยเพราะอาศัยประกายฉั้นไอ้ปฏิฆาณิมิตเนี่ยเราจึงแสดงในลักษณะเช่นคนโน้นนะไอโยนิโสมันเกิดขึ้นเลยป๊บนึกถึงปฏิฆาณิมิตคนโน้นเคยทาละความเสียหายให้แกเราคนโน้นจักทำความเสียหายให้แก่เราคนโน้นเคยทำความเสียหายให้แก่เราอันเนี่ย นี่ก็เป็นปัจจัยให้โทสะเกิดขึ้นใช่ไหมไอ้อยโยนิโสมานสิกานคี่เรียกว่าคิดเงาเงาใช่ไหมครับเจนพานก็มไม่ฉลาดคิดนั่นเองโอไ ม, ไม่ฉลาดคิดนะต้องเหนือก็เงานะคิดแบบเนี้ยแล้วก็อีกในหนึ่งนะมันไปคิดเจคโคนโน์ชั่วจังเนี่ยมันคิดหาความผิดของคนทั้งหลายแหละนะเขาก็เดินอยู่ของเขาอ่ะเราไปอทำไมมันเดินอย่างนั้นได้ เรียว่าลักษณะของโทสะนะมันคิดหาแต่ความผิดของคนอื่นมองหาแต่ความผิดของสิ่งนั้นนั้นทุกๆอารมณ์เลยนะมันเห็นดอกไม้โอ้งามเสียอย่างเดีวมีตําหนิอย่างที่ว่าดไปใช่ไหมเขาเล่าอะ่ะเขามีพระอยู่วัดหนึ่งว่างั้นเป็นพระที่ค่อนข้างกะมักตําหนิอ่ะนะเห็นอะไรก็ไม่เห็นชอบออกชอบใจไปหมดเลยพระพุทธรูปยังตําหนิเลยะทีนี้เจ้าวาดเขาก็เลยไปหาพระพุทธรูปที่งามที่สุดมาเลย ก็มาโชว์แล้วพระ อ, องค์นี้ก็มาดูบอกโอ้พระรูปเนี่ยงามไปหมดเลยนะเสียอย่างเดียวพูดไม่ได้เพราะงั้นยังหาที่ติมาจนได้อะพระพุทธรูปนี่งามแต่ผิดอย่างเดียวพูดไม่ได้ก็ยังหาที่ติมาจนได้นั้นลักษณะของโทสะจะเป็นลักษณะนั้นจะหาที่ติอะนะอาหารเนี่ยดีหมดอ่ะมีเม็ดพริกอยู่เม็ดเดียวก็ยังโกรธแต่ลักษณะของโทสะมันจะหาช่องให้ได้นั่นแหละ พราะนิมิตที่ไม่ดีเพราะความไม่แยบคลายแห่งจิตเพราะอุปนิสัยนั่นเองเพื่ออันนี้เป็นอาหารให้เกิดโทสะอันนี้นะบอกว่าปัดเมื่อโทสะจะเกิดโดยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยนั่นแหละหรือส่วนหนึ่งทุกขเวทนาเป็นเป็นอุปนิสัยเป็นปกตูปนิสัยให้โทสะด้วยเป็นอารัมณนะ บาดใจแก่โทสะด้วยเช่นเห็นภาพที่ไม่ดีจกักขวิญญาณสงเคราะห์เป็นทุกข์สงเคราะห์เป็นทุกข์้นไอ้ทุกขเวทนาอันนี้เนี่ยเป็นอุปนิสัยให้เกิดโทสะทันทีเลยเช่นใช่เห็นคนมาเทเรียราดหนังสือเลอะเทอร์หมดเลยอย่างนี้ใช่ไหมจกักขวิญญาณเนี่ยสงเคราะห์เป็นทุกข์เพราะเห็นภาพที่ไม่ดีสภาพจิตส่วนใหญ่เป็นโทสะเป็นโทสะเพราะเอ่อ นิมิต ท, ที่ไม่ดีนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดโทสะทีนี้ถ้าหากว่าโทสะที่เกิดขึ้นจะละด้วยประการใดรู้ชัดด้วยพระองค์ไม่กล่าวว่าเอ้อโทสะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ว่าอย่างงี้นะน่าจะกล่าวนะแม้โทสะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปใช่อีกสองชั่วโมงอะ่ะความจะดับก็เรื่องราวเสียหายหมดแล้วอะ่ะก็บอกว่าไฟไหม้บ้านเดี๋ยวก็ดับไปหมดไปสองหลังแล้วนะแต่พระองค์บอกว่า เมื่อโทสะเกิดขึ้นจะละโดยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยละได้ยังไงถ้าหากว่าไฟมันกาลังลุกไหมนะอัะนนะีอุปมาเหมือนกับว่ามีฟืนอยู่ประมาณยี่สิบอันเนี่ยมาวางด้านตายมาชนชนช น, ช น, ช, นชนกันแล้วก็มีเชื้อเพลิงมาปั๊บลุกเพิบมเลยไฟนี่มันก็ไหมอยู่งั้นเพราะอาศัยเชื้อใช่ไหมไฟจึงไหมขึ้นถ้าจะดับไฟทำยังไง ไฟอันนั้นจะดับทํำยังไงก็เชื้อออกก็ค่อยคชักเชื้อออกนะอ่ะบอกว่าไฟที่ยังไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะอาศัยการประชุมกันของเชือ้อเชื้อเพลิงและก็มีชนวนไฟไฟก็ติดขึ้นถ้าจะดับไฟดับยังไงก็คือชักเชื้อออกนั้นโทสะก็เหมือนกันถ้าจะละโทสะละได้ยังไงอ่านะเขาบอกว่าโยนิโสมนัสิการในในนิมิตที่ดีก็คือ เมตานิมิตนั่นแหละผังข้าหากว่าผู้ที่ปารัเมตตาบ่อยๆนี้ก็เป็นอาหารเพื่อละพยาบาทหรือละโทสะอันเมตตาภาวนานั่นเองเป็นอาหารเพื่อให้เกิดเมตตาหรือเป็นอาหารเพื่อให้ละโทสะนั่นแหละทีนี้เมตตาจะเกิดเกิดด้วยปัจจัยเท่าไหร่ใช่ไหมอันเมตตาจะเกิดหรือว่าอะโทสะหรือโทสะจะละได้ก็เพราะหนึ่งนะเขาบอกว่า หลีกเลี่ยงคนมักโกรธนนอะอาหารอันดับแรกเลยนะแต่ถ้าเป็นคนมักโกรดนิยมโกรธมีอัธยาสายชอบโกรธนะถ้าหลีกเลี่ยงคนที่ขี้โกรธได้ดีี่อันดับแรกสองไปคบคนที่มีเมตตา3 ส, สนทนาเรื่องเมตตาเยอะๆนั่นแหละเรียกว่าเมตตาคถานั่นแหละการพูดถึงเมตตาแล้วก็ได้ที่ที่สบายะ ได้อะไรที่มันประนีตหน่อยส่วนใหญ่โทสะก็ไม่ค่อยเกิดนั่นแหละถ้าหากว่าโทสะนี่ถึงอนาคา ม, มีมักเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดอันข้อความนี้ก็คือยกตัวอย่างในเรื่องของสติปัะญานมาดูอันเป็นการวิเคราะห์วิจัยพิจารณาอันความเข้าใจในสูตรนี้เป็นอันดับเบื้องแรกเลยอันเราทั้งหลายมีพระธรรมเป็นสารณะใช่หมเมื่อมีพระธรรมเป็นสารณะปั๊บนั้นจะพูดถึงเรื่องใดเราต้องนึกถึงว่า พระธรรมกล่าวไว้อย่างไงก่อนนะงั้นการที่เราจะพูดถึงธรรมะหรือพูดเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งให้พยายามนึกถึงธรรมะก่อนธรรมะกล่าวว่าอย่างไงไม่ใช่คิดเอาเองใช่ไหมครับโอถ้าคิดเอาเองเนะี่ยหมายมันได้ข้าแตมาคิดเอาเองแล้วได้ดีนะได้ดีปานานแล้วโอ้ับโทสานับหนึ่งถึงสิบ ง, งนี่คิดเอาเองอะ่ะอันนี้ก็ก็ดีระดับหนึ่งนะอา่ามีอยู่มีอยู่สูตรหนึ่งในการ ละวิตกกันนะทางเดินของวิตกอะ่ะมีอยู่ข้อความหนึ่งนะก็บอกว่าถ้ามันโกรธจริงๆมันละไม่ได้นะเขาบอกว่าให้เอาภาชนะข้าวของออกมาจากยา่ําเออนี้ไฟเช็คนะนี้ไม่ขีดไฟมันนั่งคิดเรื่องพวกนี้กันแล้วกันเพราะอากุศลมันมีกําลังมากเพรา ะ, ะนั้นให้มาใส่ใจเออนี่หรือไม่ก็เย็บผ้าซะหรือไม่ไปก่อสร้างซะแสดงว่าท่านผู้นั้นเนี่ยนเะให้ปีะก็คือว่า เห็นแล้วว่าปัจจัยของโทสะเนี่ยมันมันเกิดขึ้นเพราะก็ปัจจัยใช่ไหมครับเพราะอารัมมณะปัจจัยใ ช, ใช่ไหมคือสมมติถ้ามีอยู่สองอย่างเนี่ยมีอยู่สองแก้วน้ำสองใบเนี่ยถ้าหากว่าเรามองเห็นอย่างนี้มันจะโทสะได้ยังไงแต่ขอโทษนะถ้าอน้ําอันนี้เป็นน้ําปัสสวะขึ้นมาตั้งอย่างนี้เลยอะมองเห็นแล้วถามว่าจิตชนิดไหนเห็นถ้าถ้าสมมุติเขาเอามาให้เราเป็นน้ําน้ําปัสวะเนี่ยเราจะคิดยังไงอะ โทสะแต่พอขณะจิตที่ใส่ใจว่าปัสสาวะปุ๊บโทสะจะเกิดพอใส่ใจว่าน้ําเปล่าโทสะไม่เกิดก็แค่เปลี่ยนความคิดอะนะคิดเรื่องน้ําเปล่ามากๆอย่าคิดเรื่องน้ําปัสสาวะมากโทสะมันก็ไม่เกิดแค่นั้นเองเั้นการเปลี่ยนอารมณ์นี่ก็ช่วยได้อารมณ์ปัจจัยนั้นพระองค์จึงแสดงอันดับสองในปัจจัยยี่สี่เหตุปจัจโยหนึ่งใช่ไหมมันแล้วแต่เหตุหกในสภาพจิตขณะนั้น เหตุหกเหล่าน ok ั tu, ้นอาศัยอะไรอาศัยอารมณ์อารมณ์บางอย่างทําให้เกิดเหตุตัปัจจัยที่ดีกุศลเหตุอารมณ์บางอย่างทําให้เกิดอกุศลเหตุนั่นแหละก็อารมณปัจจัยโองค์จึงแสดงเป็นอันดับที่สองมีความสัมพันธ์กันเอเรียนปัจจัยไม่ไม่เร็วนะครับแก้แก้ปัญหาได้ได้สปะเลยอ่ะเนาะ